การถวายของรบของพ่อนะครับผู้เป็นครูบาอาจารย์แล้กขอควเคารพในฐานะสงฆ์แล้วนนก็สามเณรแล้ก็เจริญสีในเทาขอบพระคุณผู้ปฏิบัติทุกท่านสำหรับผมเองก็เป็นผู้ใหม่นะครับไม่ต้องไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้นะครับคือนั่งใช้หว่าฟังไปเรื่อยๆคือมีสาระอะไรเยอะครับสับผมนะฉะนั้นก็เปลี่ยนแนววิธีการมาฟั ง, งนื้อเพลงเพื่อให้ ค, าคลาย สำหรับตัวอเองเนี่ยชื่อพรเอสนะครับพระเกียงสัตตอนนี้ก็อาชาที่ห้าแล้วนะครับถาว่านานไหมไม่นานนะครับเหมือนวันเมื่อวานนี้เองนะครับคมรู้สึกพราะว่าเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเราเราทำแต่เรื่องเดียวนะครับมันไม่ได้ไมเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาเรื่องผู้คนเรื่องอาชีพการงานอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเวลาเท่าไหร่มันก็ทําให้รู้สึกเหวันเวลานานแต่มันความจริงมันนิดเดียวนะครับวิธีการนี้ คือผมไม่มีไม่มีรายะเอยดเยอะเลยครับคือไม่มีบาดีไม่มีอะไรมากหรอกจะพูด ง, ง่ายๆพ้าใหม่แต่ทุกอย่างนะครับคือเนี่ยว่าพ้าใหม่นเนี่ยการสําหรับครอบครศึกษาวิธีปฏิบักเรื่องนี้นะครับสอบผูกศักด์ปัญหาต่างๆเนี่ยพวกคงไม่แจกตั น, นหรอกใช่ไหมหรากการปฏิบัติก็เห็นผมม อ, มองผมซื้อเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ได้มาเก่งกันเลยนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครมา ก, ก่อนมาหลังนะครับแต่สําคัญที่ว่า เราใส่ใจตัวเองไหมในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นเราจะใส่ใจแก้หรือเปล่านะครับตัวเองก็มาดีขึ้นช่วงภาษาที่สี่ที่ห้านี่เองนะครับก่อนนี้โอ้ตั้งหลับยาวนะครับถามคนเก่าๆได้ก่อนนี้พอจผ่านช่วงเวลานี้ได้ก็ใช้เวลาสมควรแต่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เราแต่ว่าเราจะบอกไม่นานว่าเราจะยังใหม่อยู่ยังเด็กอยู่อะไรปมาณนี้ มัีความรู้สึกข้างในอยูน่นะที่คอยที่คอยดึงเราอยู่นะครับแต่พอเราทํางานไปทำงานไปเรื่อยเข้าเนี่ยด้วยยิภธศาสที่มากขึ้นหรือว่าคมรู้ควเข้าใจทีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราตั้งใจตั้งใจนี่ไม่ใช่ว่าเพ่งหรือว่าทำเยอะขึ้นหรืออะไรนะครับแต่ว่าตั้งใจคือเข้าไปเปลี่ยนตัวเองอันไหนที่มันถ่วงตัวเองอัไหนที่มันทําให้ตัวเองช้าอความความเคยชินใดกเก่าเนี่ยเราก็พยายาม หาแล้วก็สลับไปเราเปลี่ยนกันใหม่ที่มันจะทําให้เราพัฒนานเข้ามาแล้วเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่รู้สึกว่าฟ้าเบิเบิ่งตาเบิ่งเบิ่งนี่ปล่อยครับผมนอนหลังเลยนะครับหลวงพอปลุกเอานะครับทูกทีจะเป็นกันแต่บ่อยครั้งเข้าบ่อครั้งเข้ามันก็มีความลายใจกแต่คือเนาเราเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวหรอกที่พอเราตังกก้งใจจริ ง, งมันก็ยากนะวิธีการนี้คือเรา ขั้นแรกกันเนี่ยเราอย่าไคิดว่าเราปฏิบัติธรรมนะครับเรามาเรียนรู้ตัวเองมาใช้เวลาว่างให้ปนประโยชน์อะไรก็ได้ที่ทําให้ ใ, ใจของเรามันรู้สึกว่ามันหนักสำหรับผมนะเข้ามาในนี้อย่างน้อยกอ็ะอย่างน้อยมาเรียนรู้ชีวิตการเกิดมาเป็นคนนะร่างกายจิตใจของเรามันเป็นอย่างไรบ้างเรื่องต้นเนี่ยผมไม่อยากให้ไปยเห่ยกุ้งเครียดต้อเดินต้องยกมือต้องแดกอารมณ์นะใจ ต, ต้องโลงต้องเบาหาไปเถอะยี่หายยิไม่ได้ครับเชื่อผม รองแล้วแต่อย่างน้อยเราไม่ต้องไปหาอะไ ร, รไหรอกแค่ยกกระเป๋าอย่างน้อยก็วันนี้ฉันก็ไม่ได้ทําเรื่องเดือดร้อนอะไรข้างนอกใช่ไหมได้มาศึกษาตัวเองมันก็ได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาแล้วครับพอเราไม่ต้องหาอะไรเนี่ยอารมณ์อารมณ์ที่มันโปรโที่มันไม่ต้องหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองเราก็แค่หายกมือแล้วตามดูการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้แปลว่าแต่มืออย่างเดียวครับดูการนั่งดูการ หลังตึงหลังหลังหย่อนอย่างเงี้ยคือดูหลายๆอย่างผสมกันแต่พวกใหม่นี่ก็ให้ใ ห, ให้ไปดาาดูมือให้ชัดก่อนครับแล้วสิ่งสําคัญวิธีการบ อ, อเขียนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเป็นวิธีการสร้างจังหวะเพราะฉะนั้นพอสําคัญก็คือจังหวะนะครับเรายกมือขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยให้มันเป็นจังหวะอย่าพยายามยากให้มันไม่ต่อเนื่องเป็นจังหวะกันอุปเลยหลายคนนะครับนั่นเราจะมันจะไม่ได้ความชัดเขียนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง คนยกเอายกเอามันก็่เป็นยังกว่าเราฟุบแรงๆเนี่ยมันตื่นก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะตุกให้เราตื่นตัวแต่ตัวสติมันไม่ได้เนะรอพลิกขึ้ น, นช้าๆยก ข, ขึ้ น, นช้าไม่ค่อยเก็บก็ค่อยรเรียงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบหรอกเราไม่ได้รีบไปไหนใช่ไหยกมากๆเหนืเด็กนะครับมั่วอยู่ใช่ไหมคนหาก็ตามต้องแก้ใช่ไหมแล้วค่อยอ่ะฉัน เ, เหนะ น, น, น, เ น, นื่อยแล้วนะฉันหยุดกว่าไวปนิดนึงอ่ะมันหวดแข็งหน่อยบีบคอทีนิดนึงปั๊บ ตัวเองให้มันให้มันตื่นตัวให้สดชื่นอยู่เรื่อยๆพอเรื่องซึมเนี่ยพยายามพยายามกระตุ้นตัวเองให้เกิดขึ้นสิ่งสาคัญเลยคือความตื่ตัวนะครับวิธีการเนี่ยผมสังเกตุเราจากตัวเองนะเมื่อก่อนที่ปล่อยให้ตัวเองซึมซมเบื่อเบือเบื่อเือพอเย็นมากมันจะเป็นไข้นี่ยอวนเพราตัวร้อนไปแจ้งเป็นหอาการเบือเบื่อตึงตึงเนี่ยคือมันมันเป็นอุปสรรคของเราแล้วก็พยายามแก้ไขปรับทห้มันขึ้นมา มันชัดเจ น, นครับชัดเจนในที่นี้คืออะไรไม่ใช่ประโยกตั้งท่า ย, ยัางงี้นะเรามาสังเกตความชาัดคือตาของเราเนี่ยยังเห็นอะไรได้ชัดเจนอยู่ไหมนะครับหูโ อ, โ อ, อะไราได้ฟังเสียงที่ชัดอยู่ไหมนะครับจ ม, มกูกเรายังได้กลิ่นดีได้เห็นอะไรรอบข้างอยู่ไหมถ้ามันไม่ชัดเนี่ยผมจะเริ่มเบืบ่อตึงๆซึมคอที่เ ร, ริ่มตึงแล้แสดงว่าเราไม่ชัดแล้วนะครับแต่พยางามเฮ้ยฉันเริ่มเขาทำดีแล้วลุกขึ้นมาเดินหน่อนี่ไม่มีใครว่าห เนี่ยเอาจะนที่นั่งอย่างนี้หละใช่ไหมสักพักก็ร้อยคอผิดก็พิงก็ดีอย่างเงี้ยคือข้าตามสังเกติเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากครับมันจะเป็นเรื่องที่เราสามาแก้ไขได้รับพอเราแก้ไขเรื่อยๆรื่อยๆเนี่ยความรุ่งความโกลงของมันเนี่ยมันจะเป็นเองครับแต่ถ้าเราเผลอเผลอเมื่อไหร่เนี่ยความผิดก็จะเข้ามามันจะเข้ามาเหมือนเราเผลอแล้วเราเพื่อนมาหยอกล้ข้างหลังนะครับมันจะแบบใครเพื่อนมาสกิบมาแก้ล้อข้างหลัง พอเรารู้สึกตัวเราเพจะหไปสังเกตไห้ความคิดเข้ามานะครับเ้าตามบูได้แต่ถ้าเราเข้าไปในความคิดนั้นก็ยาวไปเรื่อยยิ้มเดินวี้เดินยิ้มเหมือนเคยได้ลงนะเดินยิ้มแต่แต่คิดเดื่องข้างในอยู่ใช่ไหมบาคทีหน้าบูเดินไปเดินมาไรหน้าบูเหมือนก็าตัวเอได้ลงแต่ไม่ใช่เข้าไปของคิดข้างในสังเกตดีๆเวลาความคิดมามันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนจย่างวอกเดินมาหาผมเนี่ย ว่เาเราอยาก้องนาวมันอยากรู้สึกว่าอยากพกหนาวเราต้องดูตัวเองว่ามันอยากจรินไหมมันมีอาการปวดริงไหมบ๊อบที่เดินเข้ามาเนี่ยถ้าเรามองเห็นทางเนี่ยแล้วก็มันก็เดินผ่านไปนะครับแต่ถ้าเราเผลอเข้าไปคุยกันไปก็ไปเนี่ยเราจะลูกไปโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็เหมือนกับมันมันก็เหมือนเรื่องหายนอกรอตัวเองนะครับบางทีอารมณ์เบื่อมาเนี่ยสมมุติว่าอ่ะที่บ๊อกเนี่ยโยมบ๊อกที่เป็นตัวอารมณ์เบื่อเขาเดินหน้าในง้อยง้อยมา เราเห็นเฉยๆเนี่ยมันไม่เดินทางนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปคุยด้วยเนี่ยเงาเนี่ยเราก็เริ่มไปเอาแล้วก็เริ่มบุ๋นเริ่มเซ็งกับตัวอานัณนแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราสังเกตมันจะเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราเก็นได้อยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องข้างในเ ท, ท่านี้นอเพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้บางทีอย่างผมด้วยทั้งวันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมกินติดอย่เดยว <ś> <mm> ใช่ไหมมันก็ต้องฝืนตัวเ อ, องอสมควรบางทีก็อยากจะไปทั้งออกบ้างอยากจะไปน้านเฉยๆบ้าง อย่างทุกท่านยงอื่นบ้างแต่ว่ามันเห็นเรามไม่แน่หรอกถ้าเราไม่ฝึกตัวเองพอสมควรเนี่ยมันไม่กล้าหน้าครับถ้าอยากจะไปจินกรอบไปอยากจะไปดื่มกอบไปอกไปเขห้องน้ําไปล้างหน้ามันี่อยากจะเรียนรอ้จากตรงนั้นแทนที่เราจะฟ้อรู้สักหน่อยไงกลับไปกับตัวนิสัยนั้นใช่ไหมก็ต้องกลับมาต้องเรื่องใหม่บางทีไปเจอค น, คนคุยด้วยก็ถลุดกระเจิงอีกก็ต้องมากลับมาเรื่องใหม่ <c oughs> แต่เร า, าเรานั่ง มันเบื่อก็เดือหน่อยนะมันดูอารมณ์เบื่อสิมัได้เบื่อได้แค่ไหนนะดูอารมณ์เซ็งหน่อยมันเป็นยังไงนะมันทําให้ใจของเราเป็นยังไงไม่อยากจะออกจากตรงนี้เกินเกินมันบีบคั้นเราอย่างไรนี่เราตามดูพวกแบนเรื่อยๆพอเราเห็นอย่างนี้มันไหวเข้าใจของเราเนี่ยมันจะฉี่มันจรู้ว่าอารมณ์นี้มามันจะเป็นอย่างนี้นั่นต้ารับได้เนี่ยมันก็จะสบายมันก็จะปรับบรรยาการให้ทุกอย่างเลยเวลาโดนผลกระทบมาเขาด่าว่าทึกใจเตียตึกไม่พอใจแล้วอยากจะด่าแล้ว เราก็เห็นด้ทันสิเนาะแต่างนั้นก็นแกยกไปก่อนใช่ไหมยากก่าเพิ่งดูดปากไปถึงแม้ว่าแ้งในมันจะขุ่อยู่เออเรายังมีท่าทีที่ยังทันอยู่นะอย่างนั้นก็ไม่ได้ดูดไปถ้าเห็นตั้งแต่เสียงมาแล้วทบเราก็า เ, าเก่งเก่งมากใช่ไหมแตถ่ถ้าเราถ้าเราไม่ทันเสียงปุ๊บมันก็มั น, มนทำํำให้เราปรุงแต่งได้เราก็รู้ว่าเออมันเป็นเสียงที่ทําให้เกิดความไม่ดีเราก็ยังแยกขยไขในทันเือถ้าเข้ามาเยอามากนั้นเข้าสู่ใจแล้วใจตัวเองก็ัวยากจะด่าอย่างก็ว่าอะไรเนยมันก็ยังทันอยู่ ถ้าไม่ทานจริงก็ขอให้ไม่ไหวดิ้นรวบกันเนี่ยตามดูของพวกนี้เรื่อยๆแล้วมันจะไม่ใช่นอย่างใหญ่แมันจะไม่ได้สกอย่างนี้คอยดูตัวเองอย่างพูดตามตัวของผมเวลาทางานนี่ก็มีเรื่องที่แบบบางทีทางวัตถุแกมัก็หงุดหินมานีกเฮยตอนนี้เราดูตัวเองบางทีบางทีล้วก็เงียบไปนะบางทีเพราะเราเฝ้าู้างนอยู่อย่างมาที่นี่ส่วนมากผมทีไม่ค่อยได้ไปคุยกับใครหรอกพวกมาดูแบบ ในตัวเองอยู่บางทีไม่ได้ค่อยเลยไปทักไม่ค่อยได้ไปคุยบางทีเรื่องถ้าเราฟังจริงๆเนี่ยเรื่องที่เรามาคุยกันเนี่ยบางทีมันวันหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยใช่คุยเรื่องอะไรกันไปดูนะครับเรื่องสาคัญจริงไม่จริเรื่องหรอกเรื่องต้องคุยกันแต่เราก็สามารถคุยได้ทั้งวันทั้งวันทั้งวันไปพอเราไม่เห็นจริงๆเนี่ยโอ้การคุยเนี่ยมันทําให้มันทำให้ไม่ออกมากบางทีไหนเราต้องคิดไหนเราต้องคิดในคำพูดที่พูดไปแล้วบางทีพูดดีมาก ปวเสียมากใช่ไหมทั้งปวดหัวแกคนไม่หัวแกคนมากคือมันมันหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยขอให้ทําำคนโกรกกันนะอย่าไปพูยกันคนปวดแก่เจ็กันเจ็บวันนี้ฉันจะไมคุยกับคุณนะพยายามพยายามมาองรู้เองครับเราไม่ได้ไปถามอะไรรู้เขาหรอกแต่ว่าถ้าเราเห็นในอย่างเนี้ยอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราไม่คิดหัราไปไกลเราไม่ห่วงเราไม่เพลินเราไม่สึมอยู่เนี่ยไอ้สิ่งทั้งแรงเนี่ยมันแสดงเอง เดี๋ย ว, วก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เมื่อยล้าเดี๋วก็ปวดเดียวนั่นแหละคอยแก้คอยวางบัดไปเรื่อยๆนี่อเองมันก็จะเห็นว่าทวกร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรเลยนะทุกแต่ตื่นมาใช่ไหมต้องมาร้านหน้าต้องมาแปลงฟันฟันก็นมเหม็นปากก็ไม่สะอาดหน้าตามันผมพ่อรูมเยองตื่นขึ้นมาคือตอแสดงให้เราเห็นเลยแต่แต่ว่าสิ่งต่างการคือเราจะเห็นที่ก็แสดงไหมใช่ไหม ผู้ิี่ผมพ่อก็ยุ่งเยอะต้องมาบีมาสานี่เคยเห็นมันไปทุกไครับต้องเมาคอยวัด ค, คอยแก้คอยบีนั่นแหละบาคนเลยทั้งวันเห็นไหมที่ผมยาวนี่เดี๋ยววัดเดี๋ยววัดนี่นแหละเคยสังเกตไหมว่ามันเป็นทุกใช่ไหมแต่ว่าหรือว่าเพราะว่าเราเคยเห็นเลยว่ามันมันของเคยชินก็จะทำมานานแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ความชินแล้วมันคือทุกต้องค่อยบีคอยสางคอยแต่งคอยในสารพัดแค่นี้ มันก็เกิดขึ้นแล้ว <S <S แต่เราตื่นมาแล้วก็แสดงให้เราทุกอย่างไห่ต้องมาบีมาละวอย่ต้องไปไทยรู้จักแต่ทว่าในต้องหิู่ข้าวแล้วในเดือนอยู่เบือ่อเดี้ห้องน้ำเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวทั้งวานนะันจะนอนบางทีทำไมเทศนานอย่างๆนอนแล้วออก็ทุบอิดใช่ไหมถ้าเราามสังเกตจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเรื่ที่เราเปิดมาเพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปเออะไรใช่ไหม ส่วนเรื่องรูปกายเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้หรอเราได้แต่ถอนใจแล้วเนี่ยค่อยปรับเปลี่ยนลองนา น, นานก็เมื่อยเนี่ยอย่างเมือ่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเข้ามาเมือ่อกี้ตื่นเต้นเนี่ยตอนนี้อารมณ์ตื่นเต้นหายไปแล้วนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าพูดอยู่ก็สามารถดูได้ถึงข้างไหนว่ามันเป็นยังไรตอนนี้เราก็มาสนใจกับสิ่งที่พูดอยู่กับสิ่งที่มือแลือว่าตาที่มองเห็นแต่อารมณ์แรงหายไปแล้ตอนนี้เราก็สามารถรับรู้ได้เพราใจของเราอ่อว้ ถ้าเราสังเกตมันไหวมันเห็นเน่เยอะครับวางที่เรารูนหนังเนี่ยหูหนึ่งฟังเพลงไปด้วยปากกินข้าวไปเองได้เลยใชเนี่ยเพราะว่จิตของเรามันมันเร็วมากถ้าเราทําความเข้าใจเขาดีๆเนี่ยเ้าจะเชื่อมครับของเนี่ยแต่ว่าเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยเราอย่าพยายามคุยกับตัวเองนะครับเคยเป็นไหมคุยกับตัวเองยกมือไปอ๋ออารมณ์เป็นอย่างนี้เนะีมันต้องมันต้องอย่างนี้แหละเวลาไปบอกพ่อต้องอธิบายอย่างนี้เลยเป็นไหม เปยวตัวเองครับน่ากลัวว่าอางจะถูกไม่นะ่าอย่างนี้อือเนี่ยมันยกมือต้องเป็นอย่างนี้แหละอารมณกรธมันต้องอรู้สึกโล่งเบาคุยกับตัวเองให้ไหนผม เ, เป็นเป็นไหมเป็นใช่ไหมถ้าอย่างเนี้ยมันจะทําทให้เราเนี่ยติดอยู่ในความคิดนะครับแต่ถ้าคนใหม่หรือว่าพวกเก่าก็ตามรู้สึกว่ามีความคิดเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเนี่ยขเขจัดออไปก่อนอย่าพิมพเขาทิ้งไปทิ้งไป ถ้ามันยกมือแล้วมันไม่หายจินหายใจช่วยหายใจคุ้งลึกช่วยช่วยให้เขาอุดออกจากตรงนั้นมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินที่จะใช้จังหวะใหม่อย่าพยายามคุยเล่นกับ ต, ตัวเองคุยตัวเองเห็นไหมเป็นน ะ, ะเป็นไหมสังเกตไหมผมนี่เป็นบ่อยคุยตัวเองบ่ยอยบางทีคุยเรื่องนี้นนมันไม่ใช่ความคิดนะคือเราหาเรื่องมา่ิดแ้วก็คุยตัวเองหมือเราคุยกับคนอีกค น, น เราะก่อนนี้ไม่เห็นควาสําคัญแต่ตรงนี้โอ้ไม่ไหวแล้วถ้ามันเรื่องที่คิดเข้ามาถึงแม้จะเป็นเรื่องดีก็ตามเนี่ยเขาออกไปก่อนใช้มาสวนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะยก น, นูนให้มันชัดในแต่ละข้างก่อนหรือจงกรมเนี่ยในแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้มันชัดตรงนี้ก่อนเรี่กงผมคิดไว้ที่หลังพยายามแก้ต น, นี้ก่อนเรื่อยๆพอเราแก้ต น, นี้นชํานาญเนี่ยเวลาเรามาดูเวลามีอะไรกระทบเราเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินะเขาด่าแล้วพว๊บมัน มัโลดจับวอนนันเลยกลับมาสู่้งในแทนจุเออเหตุาการที่มันเกิดขึ้นพอนานๆเท่านานๆมันก็จะหายไปเรอมีอะไรบ้างกระทบแค่นิดเดียวของทีมันคือตางแค่นิดเดียวก็หายไปพาะเรามณาเดี๋ยวมันยุ่งกับสิงัเกิดขึ้ขนข้างในอยู่นี่คือวิธีการที่ผมทำมามันทาให้ผมทาอะไรได้เรื่อยๆยิ่งมีิจกรรมเยอะยิ่งกิดทบเยอะคระับขอนโอ้อะไรขอมีแชั้นแต่ชั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เออโอเคอย่างน้อยไฝึกบาทีเรื่องเดิมเ่ะ บาทีตั้งหลักไปนะท่ไม่เป็นไรหรอเดือดถ้าเดาเอดเเดือมันก็ยังเป็น่ินอีนขนาดนั้นนะครับขนาดดูยพยายามเกะะข้าดูพยายามเข้าสังเกตเพราะฉะนั้นต้องต้องใส่ใจและเด็ดพอสมควรนะพอทรกนี้เราทุกเองนะครับเมมกิดมาเราทุกเองพ่อแม่พี่น้องปุบาลอาจารย์ด้ยญาติทั้งหลายก็ไม่ไม่ทุก ข, ขออกับเราเพราะฉะนั้นถึงจตัวไว้ก่อนปฏิ บ, บัติธรรมตัวเนงใหตัวนิดนึงคื อ, เ, อเราเอาเราตัวเองไว้ก่อน เราให้ให้ให้แก้ไขสิ่เหล่านี้ให้ได้แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับทุกที่ได้ง่ายเราไม่ได้ตื่นกลัวกลัวอะไรเลยเพราะว่าเราเราหม้อแต่สนใจ้าในอยู่เราไม่ได้สนใจสี่รอบข้างเท่าไหร่แต่ว่าข้างนอกเราก็ทำไปตามหน้าที่แต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือมาเข้าสังเกตการ์ดก็คงจเชื่อ ว, ว่าทุกคนต้องทําอย่างนี้แหละที่ไม่ <c oughs> เมื่อไหร่เสียทีว่าเจ็ดวันยังไม่ไ้เลิก <c oughs> เปนไหครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพรถึงแม้ว่าเลือกเจ็ดวันไปก็ต้องกลับไปทํานะครับถ้าเข้ามาเข้าคอสเจ็วันเห็นไหมเจ็ดวันเนี่ ย, นนยอย่างน้อยที่ได้แน่นเลยคือความตื่นตัวผมไม่ห่วงสองสามวันแรกยังง่วงมากเห็นไหมันที่สาี่เริ่มแก้ไขแล้ววันที่ห้านี่เริ่มไม่ห่วงแล้วไม่อะไรไม่กลับบ้านไปเจดวันนี้ฉันจะไปนอให้เต็มที่คุณก็ต้องไปเรื่องใหม่อีกรึเปลแก้ห่วง อ, อ, กอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้นิดนึงเราเนี่ย เราขยาันเกาอของเลยเนี่ยเกาของไปเลยเหมือนเราขับรถครั้งแรกอ่ะขับยากเกณฑ์หมดนะครับจะเลี้ยจะขยับที่เกณฑแต่พอเราเริ่มเริ่มใช้รถเป็ฑนะ์ครับี่ก็บอกของนัเนี่ยกาะของลงมาเลยไปเรื่อยอย่าอย่าปล่อยที่ไม่นานพอที่ไม่นานแล้วก็ควมเคยชิน ม, มันก็ไม่มีใจเราก็ไม่อยู่กับตัวอะไรนะี่มัน ก, ก็ออกไปข้างนอกกว่าเราจะดึงเขาเข้ามาได้ก็ต้องใช้เวลานะนะแต่พอเราเริ่มมาทําในสามวันเจ็ดวันนี้เริ่มรู้แล้วว่ากายใจของเราคืออะไร เราก็คอยปรนคองจะทําอะไรอีกจัดอยู่ด้วยก็พยายามจะออกไปนอกตัวมาแค่นั้นเองก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆก็ทําให้เราไม่มีเรื่องอะไรคิดมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีเวรีกรรมแต่ละคนแหละถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ามเราดูทุกขันเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมเราไปทําแท่แก้ทําของเราหน้าที่ของเราเให้ดีที่สุดแล้วทาให้เราให้เขาเห็นว่าเออเราอยได้ยังไง จะดีกว่าสารเบื้อต้นเนาะแต่ถ้าใครใครสงสัยก็ถามได้ตลอดเวลาครับคือไม่บร็ยายก็ไม่เป็นหรอกเยี๋ยวดวนไปวนมาเนี่ยเละว่ายังมีความสํนหนัท่าไหร่แต่นี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเนี่ยเพราะเราทำในสิ่งเดียกันเน่ะเมื่อก่อนเนี่ยผมผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทั้งหมต้องไม่ให้นั่งยกมือทั้งวันเดียวว่าพอเราดังยกมือปุ๊บแวเราก็ง่วงเราก็ต้องมาแก้ง่วงใช่ไหมบาเทีมันไม่หลกนะแต่พอ ทำนานๆไปเรื่องข้อใจนะเมื่อก่อนนี้น ก, นก็นั่งอย่แบบนี้ฉันก็ไม่ง่วงไงทไมต้องใยกเยมเันบอกเ่องข้งอใจง่อยทีเลยใช่หมเดี๋ยวพอเรื่องข้อใจอ๋อคนเราต้องฝืนต้องฝืนธรรมชาติที่มันเคยเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะสัญชาตญาณ น, นั่นแหละเรื่องปรับเปลี่ยนในสิ่งที่มันทําให้เราแย่ทําให้คิดเรยแย่เราเคยคิดเยอะๆแล้วก็อมันจะทําให้เราคิดในน้อยลงหรือไม่ต้องคิดเลย หรือขี้แค่นิดเดียวมันก็ขายไปเพราะฉะนั้นความชัดเจนเนี่ยสําคัญนะครับคือพยายดซ้อมให้เกิดถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นอะไรเนะี่ยซ้อมไปเรื่อยๆเนื่อยนะมันได้แน่ๆคือการที่มันได้ได้ทำสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆคือมันเห็นความสำคัญอยู่แล้วในใจของเราครับอย่างว่าเราก็คอยดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยวันนี้ยังไม่เข้าพรุ่งนี้ยังไม่เข้าแต่ว่าไม่ใ้าไม่นาะนเขาจะอยู่ตรงนี้แหละเขารู้ว่าบ้านมันปลอดภยนะัยที่นี่ปลอดภยัย ถ้าเขาไม่มีที่อยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนอย่างเวลาเวลาฝนตกเนี่ยเวลาเราราโดนอารมณ์เราต่างกระทบเนี่ยเปียกเหมือนละฝนตกเนี่ยถ้าไม่มีถ้าเราไม่รู้ว่าร่มอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะเปียกฝนว่าโดนอารมณ์กระทบอยู่อย่างเนีครับแต่พอเรารู้ว่าเนื้อกายของเราเนี่ยคือบ้านนะเราก็หลบเข้ามาในบ้านเราก็ไม่เปียกฝนเราก็ไม่ต้อโดนอารมณ์กระทบแค่นี้ควมทุกข์ใจที่มันต้องคิดมามันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นหลักการง่ายที่เราพอเข้าใจได้ ไคอยคอยที่จะซ้อมมาเยอะแยะดีแล้วนะถึงแม้ว่าผมไม่ได้อยู่ในรูปแบบบางทีผมนั่งเฉยเฉยเนี่ยผมก็ไม่เคยปวดเองนี่เนื่องพลาดครับอยากเดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่หลายร้อยกิโลเนี่ยนั่งรถมาก็ไม่ได้ปวดเองเปลี่ยนกลับรูออร้ระ อ, อะไรับเราก็ถือโอกาสก็นอารมณ์มาเลยในรถจับไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่งรถดันรับที่รูปนีปก็ไม่ได้ปวดย่อกไม่ได้สบายเอาแล้เอารงนี้แหละ ลับรรจุห sí รือ hmm. ฉันโยกด้วยใช่อหมคอยนวดคายบิดตัวคอยขยับเตียงหรืออะไรมันก็ไม่เหนื่อยตกลุ่มที่ถ้าเราไปฝืนถ้าเราไปดูเนี่ยมองโกรถพูกเห็นแล้วเจ็บแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราถื่ตัวอยู่เราโยกเราโยกคันก็โยกคนเดียวหรือคเดียวสะดวกด้วยสะดวกสะดวกลดลดลงอิงแวดล้อมด้วยมันก็ทำให้เราได้ไม่เบื่อหนาไม่เบื่อไม่สิ่งใช่ไหม่าถึงแล้นเมื่อย เพอเราแก้ไขยอย่างนี้ที่ทุกที่ลุกที่เี่ยมันก็ทำให้เราคิ้คิดได้ง่ายทุกที่นะอย่าง น, านั่งอีกตอนเนี้ยขาเลิ่มปวดัล้วเห็นไหมเขาก็เห็นอยู่เขาก็สาแสดงเองเราก็เห็นอีกหน่อยนะก็ต้องเปลี่ยนต้องตามเปลี่ยนเขาหน่อยก็ทํำอย่างนี้เรื่อยเรื่อยๆพอเราตามอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดความเบื่อความคิดถึงคนนั้นคนนี้มันไม่มีเวลาเข้าเพราะว่าพอเราดูแต่อันนี้อยู่มันไม่มีโอกาสเข้าเนยแต่พอเรารู้ดจากตัวนี้ไปเนี่ย เดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็คิดถึงลกูกเดีวคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงงานถึงอะไรไปเนี่ยออกนอกตัวไปมันทาให้เผลอยาวไปพอเราไม่รู้ก็มางที่เป็นวันขึ้นวันีกครับตัวที่ตัวเองไม่รู้เลยว่ามันมันทุกข์มันเหนื่อ ย, อย่างไงรคิดไปก็เท่านั้นใช่ไหมทําอะไรไม่ได้มูอีก็โดนยึดครับคิดไปก็ไม่ประโยชน์ใช่ไหมคือเราต้องมอเห็นมั น, หนให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์นะครับเปรียบเหมือนเวลาเราติดนี้นะ เราต้องหาในแง่ไหนนะมาทุกไหมเราต้องมองความคิดที่มันมันไม่ได้สารนะน่ะให้มองให้เป็นอย่างนะั้นมันทําให้เราใจของเราเนี่ไม่สบายมันอึดอัดมันทาให้เราใจกับเราของเราเนี่ไม่อยู่กับเรื่ตัวตัวต้องมองให้ให้เห็นว่ามันเป็นคอยกันนะเป็นสิ่งที่ไม่น่าไม่น่าดีดีหรับแต่กลับมาอยู่กับสิ่งที่มันเป็นตรงนี้ดีกว่าจุดใจให้เป็นอย่าง น, ะงนั้นคราไม่จะรู้รู้ง่ายดูแดูซอฟต์ลง แล้วก็ไม่ต้องไปเพ่งว่าเ อ, อ้ยฉันต้องมีสตินะนีม่มีสติไหมเนี่ยอย่าไปอย่าไปกั ง, งวลมากกับกํานั้นนะแต่ขอให้เราตามดูตามข้อดูเอถอะคาว่าสติเนี่ยมันเกิดขึ้นของมันเองโดยาอารมณมันนะแต่คนส่วนมากเดินนี่ต้องกระทับเท้ารแรงให้รู้สึกตัวนะใช่ไหมถ้าไปแรงเี่ยรู้สึกวันไม่ชันดนะครับขึ้นไม่ต้องขนาดก็ได้หรอกคือเราเหยียบเบ า, าก็ดูเหยียบหนักก็ดูขอให้รู้เถอะ ว, ว่าเราทําตรงนั้นอยู่ดี ไม่ใช่เหยียบไปคิดไปเหยียบไปยิ้มไปเหยียบไปมองหน้าน้องนี่นออไปนี่คนนั้นทนา <c oughs> ําไมน่าหลับอย่าไปว่าคนนั้นอีกใช่ไหมทําไมคนนี้ไม่เดินทําไมนั่งอยู่เฉยๆอย่งนี้ยคือไม่จะออกนอกตัวไปเนี่ยเราพยายามพยายามเดี๋ย่าให้หลอกไปเลยกันนะคร <c oughs> ให้พอร่วมออกไปปุ๊บเราก็ตื้นตื่นมามายู่สิ่งมันเป็นจริงๆแท้เองเ <c oughs> พราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันเกิดมาพร้อมสิ่งนี้อยู่แล้ว แต่ว่าเมืกก่อก่อนเราไม่เคยเห็นความสำคัญไม่เคยรู้ไม่เคยใส่ใจเขานะครับผมเองนี่ถ้าไปยัดหัวผมไม่รู้เรื่องนี้หรอกผมใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกโดยที่สง ส, งสัยงงๆเมื่อนั่นแหละว่าเอ้ยเราคนเราเปิดมาทําไมนะเมืกก่อก่อนสงสัยสงสัยเยอะนะบางทีที่ทําหารมาทำอะไรว่อาหารมันมีแล้วก็จะไปไหนต่อเรียนถามหน่อยนะครับครับผม ผมฟังดูท่านคงจะนอนหลับสบายใคงจำวัดหับสบายคเฮ้ยนอนไม่หลับตรองไหมครับต้องมีวิธียังไงท่านนอนยังไงอ๋อถูกถูกแล้วทํานไม่เคยก็ไม่ต้องสอนเลยวิธีนอนไม่หลับคือคือเรานอนเนี่ยถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเราอย่าไปกระวนกระวายนะทำไมฉันไม่หลับเลยไม่ฉันที่หลับดีเรานอนนิ่งๆครับนอนนอนสบายๆเหมือนเรานอนเต้นนะแต่ว่านอนไปเรื่อยๆแล้วเราสังเกตว่าตรงไหนมันจะเมื่อย สมมติว่านอนทุงหลังแล้วก็พลิกเขา้าหน่อยพลิดซ้ายพลิกขวาอยู่เรื่อยๆไปปัดตัวเองเรื่อยๆอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแต่ผมรับรอไงได้ว่าไม่เพียะครับไม่เพียะเพราะว่าใจของเราไม่เพียะผมเคยลองนะครัสมัยก่อนนี่ไม่รู้วิธีต้องกระโดดเพียะติดแล้วคนกองปวดแต่พอเราเริ่มเข้าใจเนี่ยเราอย่าไปอย่าอย่าเอาความรู้สึกของการนอนไม่หลับเนี่ยเข้าไปสู่ใจของเราครับแต่เราค่อยแก้ไขนอนค่อยนอนนิดนึง ทล่เากระากเองใช่ไหมแต่เราคอยแก้ไขกายที่มันนอแเปนนานเมื่อยเราก็พลิกท่ายเขาหน่อยซ้ายนิดขวาทำมันแขนมันปวดมันเหยียดแก้มได้หน่อยเรื่อยๆปรับเรื่อยๆนีัยไม่เพียอที่ผมถามนี่แหละครับจริงๆเไม่ทนหลับง่ายแต่มันก็มีบางท่านเหมือนกันทายังไงมันก็ไม่หลับแต่ผลสุดท้ายมันไม่อยไปยังไงก็ไม่รู้คือไม่รู้วิธีเหมือนกันนะคือการหลับเนี่ยไม่ได้เคยอะไร การหลับเนี่ยเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ยิ่งเราอย า, อยากหลับอยากหลับมันเป็นเหมือนการเราไปขี้ขี้ขี้มันก็ิ่งตื่นยะิ่งตื่นยิ่งตื่นตัวเองนะเหมือนเราพยายามจะลืมหลับใช่ ไ, ไหม น, น, นี่พยายามจ ะ, ล, จะลืมเรื่องนี้กับยิ่งคิดถึงคิดถึงนะแต่พอเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเขปล่อยลืมๆือไปเองนี่มันเป็นกฎเดียวกัน <c oughs> พรายาะแั้นลาเรานอนไม่หลับก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเรามามาแก้ไขในตัวการอย่าน้อยแล้วก็สังเกตกายใช่ไหมดูความรู้สึกตัว ได้เลยเนาะดูการนอนและหลับเป็นยังไงก็ได้แทนที่เราจะไปกํกาวลแทนที่เราจะตืต่นกระหนแทนที่เราจะไปหงุดหงิดใจเราก็สบายเพราะฉะนั้นไม่ยากสำหรับการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะตื่นมาแล้วรีบมาเดินมุมกลมในศาลาที่ว่าเขามานั่งยุเ ม, มือเลยครับแต่ขอให้เราตื่นมาเนี่ยพอคนลุนกตายดูได้เลยครับตื่นมามชิบเกียดไหมทไม่มาเช้าเร็วจังเนี่ยนะครับนอยากยุบเลยใช่ไหม ดูใจของส่วนหนึ่งนะตื่นมาท่าไหนนะลุกขึ้นมารับความโหมเดินออกจากห้องปิดประตูห้องน้ําเริ่มจากน้ำอื่น ค, ค่อยๆเดินมาถึงที่นี่นอย่างเวลาผมเดินจับไปที่บุตรีผมคิดมีในหัวมันเกิดขึ้นมาอารมณ์หายใจช่วยเดิน <S <S ค่อยเห็นบุตรีมันก็คิดอะไรแล้วก็วเฝ้าดูการทีร่ ม, ม, มันเกี่ยวนั่นยากไหมเขาให้ม่ทำไมสุดได้ตลอดพอทําอย่างนี้เรื่อยๆ มันไม่อยากคิดเรืองอื่นหรอมันไม่หลอะมันเห็นจะติดหน้าถ้วพ อ, อมาปุ๊บเกิดต่อต่อมันก็ทําให้เราโลง่งใจทั้งหวันถึงแม้ว่าตอนปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอลบม่วงหรือเบื่อนั่นไม่เป็นธรราติที่เราต้องแก้แต่เนี่ก็เป็นเพียงเบื้องต้นนะครับคือผมยังไม่ได้เก่งอะไรเลยว่าผมใช้วิธีการแบบนี้แหละในการทําให้อยู่ได้อย่างนี้นะครับเราใช้เราใช้โอกาสในทุกๆช่วงทุกๆ ท, ท, ที่ของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งปฏิบัติได้เลย เราก็ได้แปลว่าต้องมาเข้าคอสต์มาเข้ากับพ่อหรือว่าต้องมาอยู่วัดเท่านั้นแต่ว่าเราจะ่าลืมว่าความฟุ้กเนี่ยมันเกิดกับเราตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับเราจะไม่มีช่วงเวลาที่มันต้องเอ้ยฉันค่อยทํานะวันนี้จฉันเจ็บวันแล้วออกไปฉัสนสบายแล้วค่อยออกค่อยกลับมาทําใหม่อย่างนี้อย่าไปคิดแบบนั้แต่ขอให้ทําเรื่อยๆอย่างน้อ ย, อยแล้วเผลอคิดไปเผลอลืมไปเนี่ยพยายามบิดกลับมาเรื่อยๆเรื่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยอการขบการฉันการทําวัดเนี่ย ทำได้ตลอดนะครับเวลาเราสวดมนต์เนี่ยตั้งใจสวดในแต่ละบทแต่ละวะัคคําพวกกลันะ้งคําบาดีแต่ละตอนความชัดนะลมหายใจตอนตอนที่เริ่ส <c oughs> มสวดออกสูดลมหายใจหายใจสั้นหายใจยาวเป็นยังไงมันก็ทำให้เราเห็นตลอดเห็นไหม <c oughs> ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเราก็ทำได้สามารถทําได้ตลอดเวลาเลยนะอาการหลังทาวัดเสร็จอ่ะมันเหนื่อยมันออกจากการที่ใช้เสียงไปเมื่อกี้อนะ ระหว่างที่เราสวดเนี่ยเส้นเสียงเป็นอย่างไรอใจมันเต้นไหมเราใช้เสียงจับดูก่องเสียงในสัตว์นะครับเคยสังเกตไหมลมหายใจมันลึกมันตื้นนะถ้ามันลึกมากเป็นอย่างไรเราก็จะขาดใจแล้วก็จะมีอาการไอนะฮะวันไหนที่เราหลงกับคําที่มันบริกรรมล้วก็เผื่อคิดมันก็จะหลงไปตกล่อมไปทั้งนั้นอันนี้ค่อยเช็คได้ตลอดจะเห็นได้ว่าทําได้ทุกพี่ทุกอย่าง ใชถามได้นะครับเดี๋ยวพูดต่อไม่ได้นะครับโยมจะบวชเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมเนียมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องมาฝึกนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมเราเราต้องมาทํำครับเพราะฉะนั้นเราก็เสี่ยงโอกาสในการเรียนรู้อย่างน้อยผมอยู่ได้หาปีผมก็ไม่เสียดายว่าทําไมบวชได้งานเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นเจเจมิตรอาจารย์อะไรหรืออะไรเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแล้วเราไม่ได้หาไม่ได้มาฝึกมาหาอะไรด้วยอย่างน้อยเรา เรามาใช้ช่วงช่วงชีวิตดีๆช่วงเวลาดีๆของตัวเองทำประโยชน์นิดหน่อยเห็นไหได้ช่วยหลวงพ่อได้ช่วยครูบาอาจารย์ทําวัดสวนมนจัดเ ส, สนาสนะดูแลวัดบ้างไม่แค่นั้ไม่ได้มาหรือใช้ต้องแจงเรื่องโลกไม่เคยจิตเลยแจงอยู่มันอยากอยู่กับโลกอยู่นะจึ้น <c oughs> ไม่เคยคิดว่าต้องมีสตินะหรือะไรนะไม่เคยแต่ว่าเพราะความที่ไม่เคยอย่างนี้ไม่อยากได้เงี้กลับทําให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่ได้ทุกที่ อย่างไงก็ได้ใครจะว่าอะไรฉัเกื่อกคุณเหรอถ้าคุงเหนื่อยนั่นกเฉยๆสำคัญอ่ะใช่ไหมบางิีก็มีหงุดหงิดอยู่ใช่ัหมเราก็ทําให้เราได้เรียนรู้ริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราคอยแก้ไขแก้ไขแก้ไขเองเลยๆเพราะเรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราควบคุมเองได้ใช่ไหมเราจะบอกให้คุณอย่ามาว่าใช่ไหมคุณอย่ามาทำให้ฉันหงุดหงิดนะยากแต่ว่าเรามาฝึกของเราเนี่ยให้มันให้มันสามารถรับ สถานการณ์ของทุกอย่างได้เนี่ยมันง่ายกว่าจรเงๆนะครับพอเราทําอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราจริงเนี่ยมันไมไ่ต้องการอะไรเยอะแยะเลยแค่ข้าวเมื่อไหง่ก็อยู่ได้กินอย่างนะใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายไม่ต้องมีเลยนะครับใช่ไหมถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์จริงนะยิ่งแค่มือถืออายุยังเย็เย็นเดยวก็ชาติเดี๋ยวว่าเล่นไปเล่นไะใช่ไหมคือเราจะเห็นเลยว่ามันเป็น ที่เป็นของหนักอ่ะผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกทําไมพุทธเจ้จาถึงให้สลากบ้านเสืากเรือนสลาเข้าของมันทองมรืองมาอพอไม่มีของเหล่านี้แล้วมันไม่มีอะไรต้องคิดมันเป็นธรรมชาติของเองคือมันจะโล่งของมันเองเราก็มีเวลาที่มามาซอบเรื่องของภายในของเราไม่ให้คิดไปเรื่องข้างนอกแค่นั้นเองไงถ้าเราขาจัดผัดใจอะไรใ น, นออกเราแต่เรายิ่งทํายิ่งหายิ่งทํายิ่งมีเนี่ยสังเกตดีนะว่ามันจะหัวมันยังไม่ค่อยว่าง แต่เราพยายามขจัดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีออกสิ่งแยะที่มันจําเป็นสิ่งแยะที่มันคือเราหามาเต็มบ้านอ่ะสุดท้ายเราไม่ได้ใช้แต่ละถึงเวลาก็ต้องทิ้งไปครับขยายหาจริงนะครับท้ายก็ต้องไปเป็นภาระตัวเองอีกใช่ไหมต้องเก็บต้องกวนต้องทูส์ไม่เก็บไม่กวนก็ไปโ ม, มโหให้เขาอีกเกิดลมขึ้นอีกเนี่มันจะเป็นเพาะท้ายจัดที่เขาอยากอะไรประจิตใจสมุบาสนั่นแหละเป็นเพียงาสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งก็เกิดข<ม>ึ้น ความอยากอยากได้ก็จะไม่ได้สิ่งนี้อารมณ์อยากก็เกิดตามมาแต่ถ้าเห็นก็นี่เป็นอารมณ์อยากจบเลยไม่ต้องไปหาแล้วไม่เอาอารมณ์ต่างๆก็ไม่ต้องตามมาข้าวของที่จะมีก็ไม่ต้องมีก็สบายแค่นั้เองมันก็โลกไปธรรมชาติของเขาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ไปหาเรื่องใจตัวใช่ครับแต่คนส่วนมากจะไม่ชอบหวาดโล่งอารมณ์ที่รู้ว่าของที่ในห้อไม่มีเรื่องในห้อไม่มีไม่ชอบมันเหมือนว่าไม่มีอะไร ต้องไปหาเรื่องมาใส่กับหมอไปใช่ไหมต้องไปหาเรื่องคิดบ้างเรื่องไปหาเรื่องคุยบ้างบางก้นก็ต้องไปตอบไลน์ตอบ a c e b o o k หน่อยใช่ไหมไปกดไลน์หน่อยใช่ไหมอย่านเงี้ยมก็จะหาเรื่องมาให้ตรวองยืดเรื่อยเลยแต่ผมนี่ไม่นะ ม, มี Facebook มีไลน์ก็มีใช้อยู่แต่ถ้าคนไหนโพสไอเฟิร์เว้รหรือว่าโพสไดสารามีโลกทิ้งหมดถนะึงไห้จะเป็เพื่นอนก็ถามับคือไม่ได้สำคัญใชีวฉันอนะ่ะถ้าไม่ต้องรู้ <c oughs> หรอกถ้าไอหวานเนี่ย ทุกประกานี้คือเราพยายามรักษาตัวเองนะครัสํารวจตาหูจมูลลกลิกล้นกายใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราสํารวจแล้วเนี่ยมันจะทําให้นอาในสิ่งที่เราต้องมาแก้ไขเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่องจากการพูดการคุยการพกการฉันคิดมากของห่วงก็ต้องมาแก้ห้องอีกใช่ไหมมันจะเป็นวัฏจักรของเขาอยู่แต่ถ้าเรารู้ต้นเหตุรู้ปัญหาเนี่ยมันก็รู้เหมือนรู้ทุกอย่างรู้จะง่ายที่สุดก็ทําให้เราอยู่ได้ก็ไม่ใช่เก่งนะครับแต่ว่าอยู่ได้ รู้อยู่ได้ยังไงหรอกแต่ว่าถึงแม้เป็นอย่างนี้ก็ต้องสู้กับอารมณ์ภายในพอสมควรนะครับเพราะามันยังเป็นพระนูนน้อยอยู่อารมณ์อยากได้อยากมีอยากไปก็ไมีอยู่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าถึงแม้ว่าตัวเราเองจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มันทุกข์เลยมีรถหนึ่งคันทุกไหมครับมีทุกไหมต้องหาพอร์บอต้องเปลี่ยนลมยางต้องเช็ดต้องล้างใช่ไหมไม่เคยอยู่นี่เลยมี่บอกครับมีสองคันยิ่ทุกข์ขนาดยิ่ง ครับมีบ้านอย่างหลังก็ต้องปัดต้องถูอต้องหาข้าวของมาใส่ดูเหมือนไมเป็นเรื่องที่่ยุงย่งยากไปหมดเลยง่ายคือไม่ต้องมีจะดีกว่าก็ง่ายสุดแล้วแช่เองใช่ไหมคุณพระเจ้ามันกน็ถึงต้องให้สลัดบ้านเรือนมาแค่ดเดองถ้ามีพ่อแม่อยู่ก็ก็ยังต้องงงไิถึงเรื่องพ่อแม่ครับแต่ถ้าเรามาอย่างนี้ปุ๊ะพ่อแม่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลตามตามพี่เรียกว่าอะไ ตามาความผูกพันของทางโลกอะ่ะแต่ว่าในความเป็นจิงก็คือเราเกิดมาตัวคนเดียวนะครับเราใส่พ่อแม่ใส่ท่านเกิดมาเราก็ดูแลท่านแบบที่ทางโลกอะ่ะคล้ายๆว่าดูแลตามบัตรใจไปแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยก็คือเรื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันมันบอกว่ากันไม่ได้นะครับเวลาเราเครียดเราห ง, นนงุดหงิดเรอะไรมาเราเห็นเองนะครับเรารทุกเองนะครับไม่มีใครสามารถจะแก้ไจาก ได้แอ้วนะอย่างน้อยเขาพูดให้เราบอกใจเราได้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่าไปเอาการเวลาหรือว่าสถานที่มาเป็นที่ปฏิบัติขอให้เรารู้สึกตัวได้เม่อไหร่ว่าเราเราเริ่มจะไม่ใช่เร่บแบบคือตื่นตัวรู้สึกตัวตื่นมาได้เมื่อไหร่ก็สู้กับยันนอนนั่นแหละครับสู้กับตัวเองยันนอนนั่นแห ล, และวเมือตื่นขึ้นมาขยะบข้อผมก็ต้องดูให้ได้นะครับถ้ายิ่ดีนะครับมีคนนอนข้างข้างเน เราไปหยักตัวเสียงดังไหมเราประพฤติประหง ค, ค่อยๆหน่อยเกแกใจบงข้างหมันก็ทําให้เราเห็นผมรู้ึกตัวด้วยธรรมชาติของข้อยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ค่อยๆขี่นะใช้ค่อยๆจับนะผมรู้สึกว่ามันเกร็งเนี่ยแบบนั้นจริงเหมือนเราขับรถอ่ะจะเกร็งจะเครียดแต่ว่ามันก็ตกต่างนะถ้าเรามาอยู่ในข้อปฏิบัติอย่านี้ขอให้เราดูในารายละเอียดจริงๆนะดูยิ่งเยอะยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าการใช้ชีวิตจริงเนี่ย ขอให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรตัวนั้นนะครับคือเราจะเดินกันอยู่แล้วก็ก้าวช้าๆเหยียบชา้าๆหนี่ผมว่าเราไม่ทันกินหรอกใช <c oughs> แต่ถ้าเาเหยียบกระทบไปเรื่อยๆแล้วปะตาเรามองเราจะขึ้นไปก้าวข้าวขานี้ข้า น, า, นานี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหยียบบันไดขึ้นแต่ละขั้นดูหนักดูเบาไปเราจะไปคิดว่าเป็นการสุกสติแต่ว่าเราคิดว่าให้มันเป็นธรรมชาติของตัวเองมันมีอยู่แล้วฝึกให้มันให้กายกับแจขอ ง, งเราั มาลักกันนะ่ะพวกนกี้แน่กว่ามันแยกจากกันอยู่นะขอให้ฝึกเขามามาสนิทมาคุ้นเคยมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ร่วมกันแล้วเขาก็จะเวลาเขาไปไหนเขาจะกลับมาหาเเพราะเขาคิดถึงกันเนี่ไงเหมือนเราคิดถึงคนรักอะเดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวคิดถึงทําไมไม่คิดถึงเัวเอนแบบนั้นบ้างใช่ไหมคิดถึงดูกนี่เดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวคิดถึงแล้วทําไมเราไม่กลับมาคิดถึงตัวเองแบบนั้นบ้างเช็ดเปลือกคิดไปไ่ะกลับมาดูตัวเองหน่อยอย่างเงี้ หรือคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนนานๆคิดถึงทีนึงใช่ไหมอาจะคิดถึงลูกอาจจะคิดทีหน่อยแต่ว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยขอให้คิดให้ถีทีนะครับเนี่ยกลับมาสังเกตคอยฟ้องดูเองเออฉันฉันยังอารมณ์ดีอยู่ไหมฉันมีความเบื่อไหมอ่าเห็นแล้วถ้ามันเบื่อไปบ่อยก็ต้องตามไปดูว่ามันเบื่อเพราะเรื่องอะไรนะครับหมายถึงตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกเรื่องมาหน้าเบืเบื่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ย ก็ต้องถามไปดูแล้วว่าต้นจอแล้วว่าที่บอกเขาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยก็แก้ไขต้นเหตุได้มันก็จะหายไปโดยสิ้นเชิง น, นั่นเองโด น, าานกูบายจางก็หนีมาหุดหงิดทั้งวันเลยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคือท่านท่านตุกกำหนีเราเพราะอะไรอย่างนี้พอมคิดก็ไม่ใช่เรื่องผิด น, นะครับขอเรารู้ว่าเราใช้มันอยู่เราเพราะเราทําไม่ถูกนี่มันก็แก้ไขเองได้นะถ้าเราแก้ขไขอาการตรงนั้นไม่ได้จริง น, นะครับเนี่ยไม่ทำให้ถอนรากถอนโคนไปได้ง่าย แต่ว่ากลัวเว้ยครูบาอาจารย์ไม่คิดหรอกใช่ไหมแต่คิดนะแต่ว่าคือของทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครกฝากไว้นะเราเกิดขึ้นเรามาอยู่กับบนโลกเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่ว่าจะนิ่งสงบส ม, มไปเราเจอแดดเจอฝนเจอลมเจอร้อนเนี่ยเรายอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทําไมเราจะอยู่กับอารมณ์อยู่กับความ สิ่ง่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราไม่ได้ขอให้ให้เรารู้วิธีแค่นั้นเองภายนอกเรามีบ้านในการหลบอาศัยรู้ว่ามันร้อนแล้วก็เข้าร่มนะมันหนาวแล้วก็ห่มผ้านะมันเปียกฝนเราก็หาร่มมาการใจของเราเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเออกระทบมายี่นะเรามีที่อยู่คือกายของเราดูการดูตัวไหนก็ได้ดูลมหายใจดูการกระทบดูการเย็นร้อนก่อนแข็งก็ได้ะดูธาตุก็ได้ดูอารมณ์ก็ได้เพราะมันอยู่ข้างในอยู่นะ เพราะสถิติฐานสูตรที่เราสวดเนี่ยมันมีหลายหมวดแต่ว่าเรายกเอาวิธีการของวัดเขียนที่มาทําเป็นเรื่องเป็นหลักจริงบแต่สุดท้ายแล้วก็ใช้ทั้ทหกดนั่นแหละคุณ mm hmm. เอ๋ใฉันแกวหรอกวิธีการนี้ก็ไามา่ใช้หน่อยนะครับไม่ใช่หน่อยเนาะ mm hmm. ก็ขออนุญาตสาธุครับทและโยนทุกท่านก็ขอให้ลองเอาไปพิจารณาดูกับคาแนะนําที่ให้ครับ เราอย่าไปกังวลอย่าไปเกรงอย่าไปเพ่งมากเกินไปเราอย่าไปทําให้มันเป็นเหมือนเรื่องที่โอ้ใช้ทําไม่ได้หรอกมันหนักอย่าไปคิดอย่างนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยสมองของเราเลยจำว่ามันเป็นเรื่องยากที่มันไ่ได้ยากมเลยนะบแต่แต่ว่าขอยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทํานะในเรื่องของเราเองเนี่ยคือทําไม่เป็นเรื่อง ง, ง่ายๆสบายแล้วมันะก็จะงุนง่อ๋อวันะวนี้ก็ถ อ, อ น, นานะสาธุสาธุ